เรื่องเล่าผีหลอนตอนประสบการณ์โรงแรมผีที่พมา่าเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณหปีก่อนผมและเพื่อนๆในกลุ่มตกลงจะไปเที่ยวพม่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่กวนผมก็ไปกันเจดคนมีผู้ชายสี่คนผู้หญิงสามคน ซึ่งไปกันเป็นคู่ยกเว้นผมเราไปถึงประมาณเกือบเที่ยงก็หาอะไรกินกันจนเสร็จจากนั้นก็เที่ยวรอบเมืองช็อปปิง้งไหว้พระทำบุญแต่เมื่อเหลียวดูเวลาอีกทีก็เกือบๆจะห้าโมงเย็นจึงตกลงกันว่าจะค้างที่นี่เลยแล้วกันให้พี่ที่นำเที่ยวไปเปิดโรงแรมกันที่นี่มีคาสิโนโด้วย พวกเราก็ตกลงเปิดกันสีห้องผมได้ห้อง207ส่วนเพื่อนๆได้เลขห้อง201ถึง203ของผมแยกมาอยู่คนเดียวเพราะห้องเต็มไปหมดแต่ก็ไม่เป็นไรหลังจากเก็บกระเป๋าเสร็จเราจึงออกมาหาอะไรกินกันเมื่อเสร็จแล้วคนอื่นๆต่างก็ขอไปเสียงโชคส่วนผมนั้น ก็นั่งจิบกาแฟคนเดียวที่คาเฟ่ในโรงแรมพอทุกคนออกมากันหมดก็แยกย้ายกันไปนอนผมนอนไม่ค่อยหลับน่าจะเป็นเพราะกินกาแฟเลยเปิดทีวีดูไปสักพักจึงเริ่มง่วงแล้วเผลอหลับไปแต่พอหลับไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูตอนแรกผมก็คิดว่าเพื่อนมาเคาะเลยเปิดออกไปดู แต่ปรากฏว่าไม่มีใครเลยผมก็คยี่ตามองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เจอก็นึกว่าหูของแว่วไปเองจึงกลับไปนอนต่อผ่านไปสักพักก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นๆ เ, เหมือนหนูตายในตอนแรกก็ไม่ได้นึกเอใจอะไรเพราะคิดว่าน่าจะมาจากนอกห้องเพราะผมได้เปิดหน้าต่างห้องทิ้งไว้ก็เลยเดินไปปิดแล้วผ่านมาสักพัก กลิ่นก็ยังไม่หายสักทีผมจึงเปิดไฟเพื่อค้นหาต้นตอของกลิ่นในห้องแต่ก็ไม่เจออะไรก็เลยโทรไปที่เคาน์เตอร์เพื่อขอน้ำหอมมาฉีดดับกลิ่นจากนั้นเมื่อฉีดแล้วกลิ่นก็หายไปพอผมนอนต่อไปแค่แป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงดังฮืง่ๆผมค้นึกว่าข้างห้องคงทะเลาะกัน เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนของตกดังโครมครามแต่พอฟังดีๆมันเหมือนมาร้องไห้อยู่ใกล้ๆเตียงเลยผมจึงเปิดตาแล้วแอบมองรอบๆห้องก็ไม่เจออะไรแต่เสียงมันก็ยังไม่หายไปผมยังคงได้ยินเสียงอยู่เรื่อยๆผมจึงตั้งใจฟังเสียงนั้นอีกทีเพื่อหาต้นตอของเสียง แต่พอไล่ๆฟังไปก็มาสะดุดอยู่ที่บริเวณหน้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำนั้นผมได้ปิดประตูไว้แต่ไฟในห้องน้ายังสว่างอยู่ผมจึงตัดสินใจเปิดเข้าไปดูแต่ก็ไม่ได้เจออะไรเลยและเสียงนั้นก็เงียบหายไปแต่กลิ่นเหม็นเน่านั้นก็กลับมาอีกครั้งและต้นตอของกลิ่นก็กลับกลายเป็นว่าได้มาอยู่ในห้องน้า และด้วยความงุนงิดที่ไม่ได้นอนผมจึงปากเสียแล้วด่าไปว่าอะไรกันนั ก, กนหนาวะจะมาก็มาเลยกูไม่กลัวมึงหรอกแล้วจูๆ่ๆไฟในห้องน้ำก็ดับลงแล้วเสียงร้องไห้ก็ตามมากลิ่นเหม็นเน่าก็ยังคละคลุ้งผมก็เลยวิ่งไปเปิดไฟในห้องทั้งหมดแล้วผมก็ได้เห็นเงาหัวผู้หญิงผมยาวๆตรงช่องเพดาน ผมเลยขยี้ตาดูอีกครั้งมันก็หายไปแล้วพอหันกลับไปที่เตียงผมก็เจอผู้หญิงคนนั้นมานั่งอยู่บนเตียงเท่านั้นแหละครับผมวิ่งออกนอกห้องไปเคาะห้องเพื่อนแล้วให้มันมาปิดประตูห้องเป็นเพื่อนเอากุญแจเสร็จล็อกห้องแล้วขอไปนอนห้องกับเพื่อนเลยครับผมก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ปลอยกลัวไปด้วยจนพากันนอนไม่หลับทั้งคืน พอเช้ามาผมก็ไปถามโอเปอเรเตอร์ว่าเคยมีประวัติอะไรไหมเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 ปีได้มีเสียอฟเด็กมาแล้วเมียหลวงเขารู้เรื่องก็เลยสั่งคนมาเก็บตอนที่ผู้หญิงอยู่ห้องคนเดียวจากนั้นก็ตัดหัวไปซ่อนไว้บนเพดานส่วนลำตัวก็ยัดกระเป๋าเอาไปทิ้งแม่น้ำ กว่าจะพบร่างก็ผ่านมา3มวันแล้วส่วนหัวก็พบหลังจากนั้นอีกสองวันพร้อมกับจับคนลงมือจากที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดผมก็สลดใจเลยตัดสินใจไปทำบุญให้พอกลับมาถึงบ้านผมก็เผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยจากการเดินทาง